เด็ดจดลงทะเบียนบัญชีไว้ไหมวันนี้มีพระเท่าไรฮะมีเท่าไร่วันนี้ใครกองทะเบียนบัญชีมีไหมคงหลายคงหลายพันครับผมแต่ไม่ได้นับครับผมอย่าบ้าเราเดี๋ยวตีปากเลยนะมาถามว่าพระทั้งหมดนี่มาจํานวนเท่าไหร่นี่ลงบัญชีไว้ไหมคงจะหลายพันเล มันเข้ากันได้ไหมเพราะฉะนั้นถึงว่าหน้าตีปากแล้วเกิน <c oughs> มันฟังได้ไม้มพูดอย่างนี้นะโ อ, โ อ, โ อ, โอทุกครั้ง <c oughs> ทำไมเริ่มขึ้นมันขวางแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครจะตอบเข้ามาอีกคงจะหลายหมื่นหรือวะคงจะหลายแสนนะ คงจะหลายล้านไปเรื่อยๆแบบนั้น ว, วันนี้หูตาจะบูรีนกายใจของบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งใจก็คิดนะ เดี่ยวก็เรื่องอัดเรื่องทำรรตามองเห็นสิ่งที่เป็นมงคลเช่นประชาชนหรือพระทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าสมณา น, นันจ ด, ดสนงังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาป ก, กรรมทั้งหลายนั้น เป็นมงคลอันสูงสุดหูก็ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทำผิดกับวันทั้งหลายอยู่มากทีเดียวหูก็ได้ยินเสียงอัดเสียงทำตลอดแล้วมาพูดกันนี่ส่วนมากมีแต่พูดเป็นสิริมงคลเข้าสู่จิตใจ ตาหูจมูกนะจมูกก็ได้ดมกลิ่นศีลธรรมดอกไม้ทูกเทียนนำมาบูชาลมดิ่นก็หอมบูชาพระพุทธเจ้าพระสัรมพระสงจ์ก็มีอานิสงส์มากลิ้นก็สัมผัสสัมผั์อะไรในสถานที่นี้ ก็เป็นมงคลใครจะเอาเหล้าเอายามากินกันในสถานที่เช่นนี้ก็เอาแต่ของดีของดีที่โลกนิยมมากินกันเท่านั้นเองกายนั่งตรงไหนก็นั่งในสถานที่เป็นมงคลใจเป็นความชิดที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วในอัตในธรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิริมงคลวันนี้กายวาจาใจของพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและขราวาสรับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าคนเราเฉพาะเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธมีความสนใจใคร่ต่ออัดต่อธรรม ยินดีในศีลในธรรมโดยทั่วกันแล้วโลกแห่งเมืองไทยของเรานี้จะสงบโล่มเย็นมากมายพิษกับที่เหลือออกแผ่นผ่านจากกายวาจาใจของแต่และคนเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้แสดงออกเป็นปืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัย เป็นมาภัยต่อกันไม่มีใครพึงปรารถนาแต่ชอบนำไปใช้เผากัน <c oughs> วันนี้เรื่องเช่นนี้ไม่มีในวัดในสถานที่นี้ประชาชนก็เราก็จะพูดด้นเดาไปกับพระที่ท่านพูด่ะกี้นี้พระองค์นี้เป็นพระท่านทำไปเลยนะ ชื่อรมอินนี่อยู่วัดนาคำน้อยเวลาหลวงตาถามว่าพระมาจำนวนเท่าไหร่ได้ลงทะเบียนบัญชีไว้ไหมคงจะได้หลายๆพันตอบออกมามันน่าฟังไหม อ, อ, อย่างนั้นเละ <c oughs> เราอยากพบอยากเห็นพี่น้องทั้งหลายมีความสนใจ ใครอัดใครทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนๆคำว่าทำนี่โลกยอมรับกันเพราะว่าทำท่านั้นใจยุบลงทันทีไม่เพเยอะเยอะยิ่งเหมือนสิ่งที่เป็นไฟมากระทบกันเป็นฟืนกับไฟเผากันขึ้นมาทันที มี่ศีลธรรมต่างคนต่างมีในใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นพาชนะสำหรับรับอัดรับธรรมในเวลาเช่นนี้เวลามาพบมาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงความเป็นมงคลต่อกันเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับวันนี้ท่านว่าสมณา น, นั่นจะดัดสร้ง เอตัมมังครมุตตังการพบเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราการอบรมจิตใจได้พบเห็นใจของตนที่มีความสงบล่มเย็นเพียงเท่านั้นก็เย็นช้ำไปหมดแล้วภายในใจ ถ้ายิ่งได้รับการอบรมให้มากเท่าไรใจดวงนี้จะริแต่แสดงดิตาสักบานุภาพแห่งความสงบสุงเกียนแก่โลกด้ยความขวาง ม, มากวามวยาเที่ยงนั้นทีเดียวเราจึงควรได้รับการอบรมทุกทุกคนที่เราเกิดมานี้เรามาได้เกิดมาด้วยความตั้งใจของเรา การบังคับบัญชาการบ่งบอกของเราว่าเราต้องไปเกิดในสถานที่เช่นนั้น mm hmm. เช่นนี้สิ่งเการบ่งบอกเหล่านี้ไม่มีความหมายสิ่งที่มีความหมายเต็มตัวคือกรรมที่อยู่เหนือเราที่ทำกันทุกคนทุกคนทั้งกรรมดีกรรมชั่ว ก, กลางนี่ธรละทำด้วยกันทุกคน ทำดีเป็นผลดีขึ้นมาแก่เราทำชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาแก่เราทำดีซ้ําๆำซากซากผลดีเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นความสงบเย็นภายในใจของเราทำชั่วซ้ําๆำซากซาก็เป็นการสั่งสมฝืนไฟขึ้นมาเผาตัวเองเผาแล้วเผาเราเผามาหยุดไม่ถอย คนหนึ่งไม่ได้ใหญ่โตเท่าผูเขาย่อมถูกเขาเป็นเท่าเป็นฐานไปด้วยอำนาจแห่งกรรมชั่วนั่นแหละท่านจิงสอนให้ระวังกรรมในพุทธศาสนานี้ไม่ท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสอนสัตว์โลกให้เคารพกรรมเสมอ เพราะกรรมนี่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านแสดงไว้เป็นบทบาลีว่านาิกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดจะเหนืออำนาจอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้จงระวังสังรวมตัวเอง อย่าให้ใจถูกเลกลียดฉุดรากลวมเขาไปสู่ความชั่วแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วขึ้นมาแล้วก็เผาตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสร้างก็เริ่มเป็นความชั่วขึ้นมาที่ตัวของเราวันนี้ก็เผาวันนี้ก็สร้างสร้างความชั่ววันนี้ก็เผาวันหน้าก็สร้างวันหน้าก็เผา สร้างตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายสร้างความชั่วทั้งหลายคนทั้งคนมองไม่เห็นตัวเลยเห็นแต่ภูเขาแห่งความชั่วเต็มตัวของคนคนนั้นพี่โกงกันข้ามผู้สร้างแต่ความดีวันนี้ก็สร้างวันน้าก็สร้างวันไหนก็สร้างสร้างตั้งแต่ความดีงาม ความดีนี่ก็เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นกองมหาสมบัติในบุคคลคนนั้นภูเขาทั้งลูกนี่น้อยไปกองแห่งสมบัติคือความดีงามของผู้สร้างความดีนั้นยังยิ่งใหญ่กว่านี้ไปอีกมากมายกายกองชีวิตจิตใจของผู้มีความดีงามมีความสดชื่น ทั้งพบนี้คือชาตินี้และพบหน้าชาติหน้าต่อต่อไปมีตั้งแต่ความดีงามเต็มตัวของเราอยู่ที่ไหนนีแต่ความเป็นมงคล น, นี่คือผู้สร้างความดีผลความดีผลิให้เป็นอย่างนี้แหละส่วนความชั่วสร้างเท่าไหร่ก็ผลิต ปืนผิดไฟขึ้นมาเผาตัวท่านจึงเรียกว่านนติกรรมะสมังปรังไม่มีอนุภาพใดเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้แล้วทุกคนตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งสองตรงพากันเลือกเฟ้นแต่กรรมที่ทดีอย่าไปทำกรรมชั่วจะทำตัวให้เสียหายเป็นลำดับลำดาไป สร้างตั้งแต่ความดีงามธรรมดาเราจะสร้างความดีมานคือที่เรศมันอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละคอยที่จะมาขีดกันการสร้างความดีของเราทุกวิถีทางจะไปมันก็ไม่ให้ไปจะชิดมันก็ไม่ให้ชิดจะพูดมันก็ไม่ให้พูด จะทำมันก็ไม่ให้ทำขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายแล้วไม่ให้ทำทั้งนั้นแต่ความชั่วนี้เปิดทางไว้ตลอดถ้านอนก็ตั้งแต่ตื่นนอนเปิดประตูแห่งความชั่วให้ทำตลอดจนกระทั่งหลับเปิดตั้งแต่ชาตินี้จนกระทั่งถึงวันตายมีตั้งแต่ความชั่วเต็มเนื้อเต็มตัวนั้นลก นั่นไม่ต้องถามเพราะนรกนั่นเป็นผลเป็นสถานที่อยู่ของคนทำชั่วเช่นเดียวกับเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของคนที่ถูกขุมขังที่เขาเรียกว่านักโทษเต็มไปหมดนักโทษในเรือนจแเราไปถามดูส่สิหน้าไหนที่ไปเสวยความสุขความสบายเป็นอิสระอยู่ในเรือนจำนั้นไม่มี มีแต่ผู้จงอยู่ในกองทุกข์ขาดความนับถือโลกเขาไม่ยอมรับโลกเขาติฉินนินทาโลกเขาสาบแช่งคนประเภทนั้นนี่พวกนโลกนี่สัตว์นโลกทั้งหลายนี่กรรมดีสาบแช่งกรรมชั่วยอมรับสวยกรรมสำหรับผู้ทำนี่ให้พากัน้วมัดระว่าง คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์ธรมโลกนิพพานนี่ตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ได้นี้ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกมาสั่งสอนโลกมีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์คือพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ แนะนำสั่งสอนแล้วก็วางร่องรอยคือแนวทางอันถูกต้องดีงามไว้ให้สัตว์ทั้งหลายไต่เต้าือ ด, ดำเดินตาม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนตาบอดหูหว่วงท่านเป็นคนตาดีหู ด, ดีไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้ เ, เลย ยึงเรียกว่ า, าศาสตาองค์เอกแต่ละพระองค์แลการที่จะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเป็นสิ่งที่อุบัติยากมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนอยู่ในศาลาของเรามีจำนวนเท่าไหร่ปรารนาเป็นพระพุทธเจ้านี่นนที่จะได้เนี้ยจะมีรายหนึ่งหรือไม่มีเลยส่วนมากจะไม่มีเลย ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากชั้นดาววดึงไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงเส ด, ด, ด, ด็จลงจากชั้นดาววดึงมาสู่แดนมนุษย์ของเราทรงเปิดฤทธาสุดานุภาพแห่งธรรมให้สมภูมิของศ า, ศาสดาองค์เอกให้โลกได้เห็นทั่วถึงกัน หางแดนนรกทุกขุมแห่งนรกที่สัตว์ทั้งหลายตกอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานตาอานาจแห่งกรรมของตนอยู่ <c oughs> ขึ้นมาหาแดนปดเปรตแดนผี <c oughs> ขึ้นไปสวรรค์พุทมโลกทั่วไปหมดให้มองเห็นกันพวกสัตว์นรกกับพวกเทวดาอินพรหมให้มองเห็นกัน พ้อมทั้งกรรมชั่วกรรมดีที่ตนสเวยให้ได้รู้ได้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วสัตว์ทั้งหลายที่ได้เห็นกันอย่างเปิดหน้าเปิดตาที่ไม่เคยมีมาเลยแต่มีมาเพราะอำนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจา้าให้สัตว์โลกทั้งหลายชั่วดินแดนได้พบได้เห็นกัน ต่อหน้าต่อตาในเวลานั้นเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันแล้วต่างคนต่างปาฏิหาริย์เป็นพระพุทธเจ้าแน่นไปหมดที่ได้เห็นได้ยินพระพุทธเจ้าในเวลานั้นมีความซาบซึ้งตื่นอกตันใจด้วยในทางที่ดีใครก็ปาารจะปะาฏิหาริเป็นพระพุทธเจ้า โลกจะได้เห็นความอัศจรรย์จากพระพุท ธ, ธเจ้าคือได้เห็นความอัศจรรย์จากเราเมื่อเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วโลกจะได้เห็นเป็นความอัศจรรย์จึงปราถนาเป็นพุท ธ, ธภูมิการทั่วหน้าพระองค์ทรงยิ้มพระโอษแล้วตรัสออกมาว่านี่แหละขึ้นชื่อว่าความดีไม่ว่าสัตโลก็ร่ายได้ มีความกระยิมยิ้มย่องอยากพบอยากเห็นอยากกราบไว้บูชาอยากเป็นเจ้าของสมบัติทีเลิศเลยนั้นเสียเองเช่นอยากเป็นพระพุทธเจ้าต่างคนต่างปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้วก็รับสั่งออกมาว่าคนทั้งหลายที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดีจำนวนมากขนาดไหนอืม อย่างมากก็มีลายหนึ่งหรือสองลายเพียงเท่านั้นจะผ่านพ้นอุปสรรคของกิเลสที่มันขีดขวางทางเดินเพื่อบาเพ็ญความเป็นพระพุเทธเจ้าไปได้นอกนั้นจะจมไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละนี่ฟังที่พวกเราทั้งหลายฟังนี่ล่ละเรื่องของกิเลสมันหนาแน่นพอ อำนาจของธรรมเปิดทางชั่วระยะเป็นนิทานจากดานุภาพของศาสตราดาเปิดให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นกันทั่วหน้าตั้งแต่แดนนรกขึ้นถึงแดนสวรรค์ได้เห็นกันหายสงสัยว่าในาโลกสวรรค์ภพโลกประชาชนคนธรรมดาเดินดินนี้มีหรือไม่มีได้เห็นทั่วหน้ากันแล้วหายสงสัย ต่างคนต่างมีความกระยิมที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้าและปรารถนาที่จะสร้างความดีต่อไปนแม้เช่นนั้นก็ยังเล็ดลอดออกจากปากแห่งมารคือมหามารได้แก่ที่เล็ดอันเป็นกองทัพใหญ่อยู่บนหัวใจของสัตว์ทั้งหลายไปได้ไม่กี่รายนี่ท่านทั้งร้ายชิ้นให้ดี อันนี้ย้อนเข้ามาหาบรรดาพี่น้องเราทั้งเป็นฝ่ายพระและเป็นฝ่ายคารวะที่สร้างความดีหรือมาฟังเทศอยู่เวลานี้จิตของเราใฝ่ฝันในทางที่ดีงามใฝ่ฝันในเพศของตนเช่นพระนี่ท่านบวชมาแล้วว่ามีศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดเรามีความกระยิม ยิ้มย่องต่อศีลของเราศีลของเราบริบูรณ์หรือบกพร่องประการใดหรือขาดทะลุไปยังไงบ้างนี่นี่ต้องย้อนเข้ามาดูตัวเขาเราดูรายไหนก็เหมือนกนารขอเขานุ่งผ้าขาดนี่ลนะฟังดีนะนี่ท่านให้ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามีความดีงามประการใดบ้างเต็มในตัวของเรา ยกตัวอย่างเอาหลวงตาบัวนี่เป็นเกณฑ์ในทรามกลางแห่งสังคมอันนี้ว่าหลวงตาบัวดูดูศี ล, ลของตัวไปยังไงดูสมาธิของตัวไปยังไงดูปัญญาดูวิบูตรหลุดพ้นธรรมอันเลิศเลยของตัวไปยังไงมีหรือเปล่านี่ถ้าการถามามาตั้งถามหลวงตานะ แล้วก็เหมือนกับตั้งถามทุกๆ ท, ท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันว่าพระกอพระขอตลอดถึงพระคอพระงอเ ป, เป็นเป็นร้อยร้อยพันพั น, พนเป็นยังไงศีลนะไในสังรวมได้ดูศีลของตนหรือเปล่าดูสมาธิของตนมันได้นั่งภาวนาพอทำใจให้สงบโล่มเย็น เป็นทางก้าวเดินเข้าสู่สมาธิหรือเปล่ามันเป็นปัญญาความเฉลียวฉลาดะะลแก้คดีได้มากน้อยเพียงไรหรือเปล่าหรือเป็นยังไงกิตได้หลุดพ้นแล้วยางอย่างนี้ให้ถามทุกคนสำหรับพระเราที่บวดมานี่ถามองค์ไหนทีนี่ก็เอาหลวงตะบัวตอบอีกเหมือนกันถามองค์ไหนก็เป็นแบบเดียวกัน เอาหลวงตาบัวเป็นที่ตัง้งหลวงตาบัวเป็นยังไงศีลบริสุทธิ์ดีเหมือนเขาครองผ้าครองจีวร น, นุ่งสบงครองจีวรสังคารติไม่เอี่ยมอยู่ตลอดไม่มีมนลถินแปดเปื้อนในสบงในจีวรในสังคารติ หรือมีมูดมีคูดมีขี้ติดสบวงจีวรแล้วก็เิดเข้าไปหาตัวเองติดพันเข้าไปถึงใจตัวเองคู่กำลังคลองจีวรอยู่นั่นเป็นยังไงอาจะตอบได้เสียงเดียวกันว่าหลวงตาบัวจะต้องเลยตอบก่อนเพื่อนว่าหลวงตาบัวนี่นุ่งสวงขาดเนใครมองมาก็เห็นหำเลย พราะหลวงตาบวงศีนขาดนี่องนั่นล่ะศีนด่างพ้อยไม่เห็นห้ำก็เห็นโขยมองไปขาดขาดวิ่นวินมองดูที่ข้างหน้าก็ตามมองดูข้างหลังก็ตามมีแต่สบองขาดสบงวิ่นไม่มีจีวสบองดีจีวร ด, ดีสังขาดีมากครองสมความเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยศีลด้วยห้ำเลย เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงศาสนาพูดเรามองดูพระกับขาดวิ่นวิ่นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิชาวิมุตหลุดพ้นซึ่งเทียบกันได้กับชวบขาดพี่วอนขาดสังขาติขาดขาดขาดวิ่นวินมองหาตัวของพระมองเห็นแต่หับแต่คอยไม่มองเห็นศีลเห็นธรรม คือความบริสุทธิ์ของศีลของธรรมอยู่ภายในตัวอย่างบ้างเลยมันไม่น่าอายหรือเรามานั่งอยู่ที่ศาลาวัดป่าวนตากกว้างขวางขนาดไหนศาลาหลังนี้อความกว้างศาลาหลังนี้สิบห้าเมตรความยาวหกสิบเมตรทั้งประชาชนทั้งพันธุน์นั่งนี้เต็มหมดยังเหลือออกไปข้างนอกยังมากกว่าที่เต็มอยู่ในศาลานี้ นี่เราเนีน่กต้องขอภัยนะับพูดที่หลงหน้าหลงหลังจับติดจับต่อกันไม่ได้นี่พูดถึงเรื่องจำนวนมากนี่ก็มาลงได้แต่ว่ามีแต่แต่พวกสวงจีวรขาดห้ำขาดเออเข้าใจไหมละ่ะหาศีลหาธรรมอันดีงามไม่มีในตนเลยอย่างนี้เราสรุสังเวชไหมพิจารณาสิ ดูองค์ไหนก็ศีลแทบไม่มีในตัวพระเราไม่สนใจในการรักษาศีลศีลมาสองย่สิบเจนั้นน้อยไปมากกว่านั้นอีกแต่ไม่ว่าศีลข้อใดมีแต่ความดังพร้อยขาดวิ่นวิ่นไปตามๆกันหมดเลยดูองค์นี้ก็แบบเดียวกันดูวกองค์นั้นแบบเดียวกันพระที่มาจํานวนนี้มากน้อยเพียงไรมีแตพวก พักสวงจีวนขาดปล่อยหำ ม, มาด้วยกันแล้วก็จะปล่อยหำไปไม่มีความรู้สึกตนสั้งรวะวังให้เป็นความดีต่อไปทำให้ศีลบริสุทธิ์เพื่อสมาธิต่อไปปัญญาต่อไปเพื่อมีมุดลุดพ้นต่อไปเลยเนีแล้วศาสนาก็มีแต่คำพีคำพีท่านเขียนไว้เต็มบทเต็มบาททุกอย่างแต่เราผู้ครองคำพีอ่านคำพีจาก ศาสนธรรมของพระพุทธเจา้ากลายเป็นพระปลอมไปหมดป้อมด้วยศีลศีลไม่มีแต่เอาผ้าเหลืองมากรองไว้แล้วดีไม่ดีเบ่งตัวในตัวเองด้วยใครมองไว้เห็นถ้าเขาจะทำหนีตีเตียนนั่นนั่นปิดบังห่ำท่านาน่ะจีวรสวงขาดท่านเห็นไหมว่าอาตมาเป็นพระนุนะ่ะบางทีนะ่ะมันไม่ได้ดูห่ำของตัวเองเลยนะอาตมาเป็นพระ อาตามาเป็นสมุขขึ้นต้นตั้งแต่อาตามาบวชใหม่จะตั้งเป็นสมุบวิการในวันพรุ่งนี้อาตามาเป็นพระครูอาตามาเป็นเจ้าคเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นเป็นชั้นชั้นอาตามาเป็นสมเด็จไปเลยมันให้ให้มองดูตั้งแต่ยศฐารมดาศักดิ์รวมๆแรงๆมันไม่ให้มองดูห้ำของมันคือศีลธรรมที่อยู่ในตัวนั้นบ้างเลย ทีนี้ศีลธรรมไม่มีในตัวมันก็เป็นพระเปลือยกายมองเห็นแต่ห้ำแต่ข่อยไปหมดดูไม่ได้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นพระเปลือยเนื้อเปลือยตัวเปลือยกายมองไปที่ไหนใครดูได้เมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้พระเรามีตั้งแต่พระค้าเหลืองครองตัวเรามองดูศีลดูธรรมประจำตนไม่ไม่มีอย่างนี้เป็นสง่าร า, าสีที่ตรงไหน นี่เป็นข้อเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายในนามว่าให้หลวงตะบัวเป็นผู้แนะนําอบรมในสมาคมอันนี้จึงแนะนํำธรรมนี้ฝากบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมให้เป็นคนสะอาดพระก็ให้พระเป็นภาคที่สะอาดสมบูรณ์ด้วยศีลอยู่ที่ไหนเย็นหมด ้าที่มีศีลสมบูรณ์เย็นฉ่ำภายในใจนอกจากนั้นยังมีสมาธิสมถะธรรมคือความสงบใจเกิดจากการภาวนาภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามท่านเรียกว่าการอบรมใจให้สงบทั้งนั้นด้วยบทธรรมต่างๆเช่นพุโทโธว่างธรรมโมว้างสังโฆว้างอนาปานาสติบ้าง มรณะนัตสติบ้างตามแต่ญาณิสัยชอบแล้วนำทําเหล่านั้นคําว่าอบหลงที่ใจตัวแดงให้เป็นความสงบนี่ศีลก็ชุ่มเย็นบริสุทธิ์บริบูรณ์ภายในตัวของเราไม่ได้ล่วงเกินศีลข้ามเกินเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแม้ศีลข้อหนึ่งก็ไม่เคยทําลายเรียกว่าไม่เคยเหยียบหัวพระพุทธเจ้า มีแต่เทิดทูนด้วยความเทิดทูลท่านด้วยความสังรวมระวังรักษาศีลสาธรรมของตนให้บริสุทธิ์ตลอดไปนี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบจากนั้นการบาเพ็ญภาวนาเป็นงานประจำของพระไม่เรียกว่าพระบ้านพระป่าแต่ก่อนท่านว่าอรัญญาวาสีกข้ามวาสี พาบาศีคือแดนบ้านอยู่ใกล้บ้านก็มีทัานที่เรียกว่าเป็นแดนบ้านแดนป่านั้นท่านเรียกว่าอรัญญวาสีคือห่างจากหมู่บ้านไปหนึ่งกิโลกิโลหนึ่งมีเท่าไหร่นั่นละวัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปหนึ่งกิโลทั้นขึ้นไปท่านเรียกว่าอรัญญวาสีผู้ที่อยู่ป่าเป็นปกติ คามาวาสีที่ตั้งของวัดใกล้ก็ใกล้กว่านั้นลงไปลงไปขาดกิโลลงไปโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ตั้งอยู่กลางบ้านทางเรียกว่าคามาวาสีนี่พระเหล่านี้นิยมว่าพระบ้านพระป่าเป็นพระลูกศิทธถาคนผู้บวชมาเพื่อมุ่งหวังม่าผลนิพพานด้วยกัน มรรคผลทพานจะได้จากอันใดก็ได้จากแนวทางคือพระอวจกรคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงชี้แจงแสดงบอกไว้แล้วด้วยสวาคาธรรมคือตรัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้พากันดำเนินเราก็ดำเนินตามนั้นศีลเราก็วิสุทธิ์การอบลงมใจของเราจิตตภาวนา กับเราซึ่งเป็นพระปลอยวางกันไม่ได้เพราะเป็นงานจําเป็นของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยตรงทั้งแดนบ้านแดนป่าเป็นความจําเป็นเสมอกันต่างคนต่างอารมผู้อยู่แดนบ้านอยู่แดนป่าก็มีความสงบเยือใจทรงไว้ซึ่งมักซึ่งผลซึ่งนิพพานได้เช่นเดียวกันหมด เราก็เป็นผู้สง่างามในตัวของเราเราอยู่ในวัดปา่าแดนแห่งปา่านั้นเป็นปา่นปาศีลป่าธรรมปา่ามรรคผลนิพพานอยู่แดนบ้านก็ เ, เป็นบ้านแห่งศีลแห่งธรรมแห่งมรรคผลนิพพานและเป็นความสงาส่าราศีทั้งแดนปา่าแดนบ้านจากศีลธรรมของผู้ปฏิบัติดีอยู่ในที่ทั้งสองแห่งนี้ด้วยกันก็เป็นสาระนะ ข อ, องประชาชนของโลกทั้งหลายได้เป็นอย่างดีสมนามว่าสังขังสรนังกชามิพระสงฆ์สาวกเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระุทธเจ้าด้วยความฝากเป็นฝากตายก็สมชื่อสมนามที่เขาเปล่งวาจาอุทานออกมาจากทางจิตใจกร่าวไหวบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวว่าพุทธังธรรมวางสังขังสรนังกชามิ พอเป็นศิลิมงคลแก่ผู้ระลึกถึงเราผู้เป็นองค์สารณะเสียเองเราก็สร้างสารณะคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์หลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจของเราเราก็มีสารณะอันเอือุเต็มหัวใจสมควรที่จะรับการต้อนรับบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เข้ามากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทำ บุญให้ทานด้วยทักษิณาทานต่างๆไม่ทำทักษิณทานของเราให้ของเขาให้ด้อยไปหรือทำจิตใจของเขาที่มาให้ทานแก่เนื้อนาบุญของโลกให้ด้อยลงไปเกิดความอับเฉาแทนขึ้นที่ขึ้นมาอย่างนั้นไม่มีเป็นความชื่นอกชื่นใจสำหรับผู้นำทักษิณาทานมาให้ทานก็ด้วยความเต็มใจก่อนให้ก็ชื่นบาน กำลังให้อยู่ก็ชื่นบานให้ไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไปมีผลมากเราที่อาศัยประชาชนเขาเลี้ยงอัตภาพอัตภาพของเราทั้งร่างกายของเรานี่ก็มีชีวิตเป็นอยู่จากประชาชนทางจิตใจของเราก็เป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมรวยมากโหรีผานเรามีความสงบร่มเย็นภายนนอกภายใน นี่สมชื่อสมนามว่าเราเข้ามาบวชในแดนพุทธศาสนายัางขอให้บรรดาปี่น้อทงท่านหลายนั้นทราบทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนเป็นแนวหน้าพระลูกพระหลานให้พากันจําเอาไว้นะวันนี้เป็นวันสําคัญที่จะแสดงความเฉนี่ยจาัยและความเป็นมงคลให้แก่พระลูกพระหลานทั้งหลายฟั่ง สิ่งที่เป็นภัยต่อพระเนนของเราตลอดมานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าเวลาท่านทรงอุปสวรรคบวชให้พระทั้งหลายแล้วท่านทรงเสียพระทั้งหลายรับสั่งให้พระทั้งหลายไปอยู่ตามป่าเช่นลุคโมเรเซนาสนังนินายาปปชาตัทเตยาวจีวางอุซาโหคารณนโยวันป ร, ร, ระชาบุษสมบทแล้ว ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ลุกขมูลล่มไม้ในป่าในเขาตามทามําเงื้อมผาป่าช้าป่าลุกชัดที่แจ้งรอมผระรอมฟงังอันเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การบงเพ็ญเพียรเพื่อบําละกิเศษได้ดีจงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระอวา่าสั่งสอนพระ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพปฏิบัติทีนี้เราก็ให้เป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมภาวนาเป็นความจําเป็นของเราเราจะได้รำมาสมบัติเข้าสู่ใจเรื่องโล ก, กะสมบัติมันมีอยู่ทั่วไปสําหรับธรรมาสมบัตินี้คนจะมีน้อยมากแล้วต้องขออภัยด้วยนะเทศนีิขาดวักขาดตอนเพราะความจําตัดขาดตัดขาดไม่ค่อยสืบเนื่องกัน ตรงไหนที่ขาดก็เพิ่งทราบว่านั้นสัญญาตัดขาดไปแล้วกรุณาทราบจำนี้นะนี่เทศมานี่ก็ขาดไปเรื่อยๆนะกรุณาจำเอาเกี่ยวกับเรื่องพระที่อยู่ในป่าเพื่อสอสแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลยเข้ามาครองใจเป็นสาระของโลกนี่แหละใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็เรื่องมรรคผลนิพพาน ันสาขาโตราพระกตาธโมขึ้นต้นว่าอากาลิโกนั่นทำนี้ให้ผลตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลําเวลาใดมาเป็นดูศักดิ์ได้ทิเลต ก, ก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันใครสร้างกิเลสสร้างได้ทุกเวลาเวลาเป็นกิเลสเป็นฝืนเป็นไฟเป็นบาปเป็นกรรมเผาตัวเองได้ทุกเวลาเวลายังพากั น, นระมัดระวัง สร้างความดีงามก็เหมือนกันพระเราอย่าอยู่นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ตะ ก, กี้นี่พูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยนะนี่ระลึกได้นะไม่งั้นมันจ ะ, ตะเตลิดไปอีกแล้วนะท่านสอนว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วบอกพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นคุณม้าคุณไว้ก่อนเช่นบวชแล้วให้อยู่ในป่าในเขาอย่างอย่างนั้นตาม แพทย์ของพระหน้าที่ของพระงานของพระให้บำเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นภัยต่อพระตั้งแต่กาไหลไๆมาปัจจุบันนี้ก็ก็คือเรื่องโลกเรื่องกิเลศนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรจิเลสเป็นค่าสึกกับธรรมตลอดมาไม่เคยเป็นคุณต่อกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรปัจจุบันนี้ที่เราเห็นประจักษ์อยู่เวลานี้คืออะไร สิ่งที่เป็นภัยต่อพระเรานี่คืออะไรท่านสอนให้เข้าอยู่ในป่าเพื่อตัดสัญญาอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงเพราะตามธรรมดาต่างคนต่างสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกิเลสเต็มหัวใจอยู่แล้วทั้งพระทั้งคารวะมีเต็มอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ของกิเลสอันเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้ตนท่านจึงประกาศสอนภัยของกิเลสคืออะไรบ้างสําหรับพระเราเราจะ รักษาอย่างไรภัยคืออะไรที่จะมาเผาไหมเรานั่นอ่ะภัยคืออะไรนี่จะบอกสิ่งที่เป็นภัยว่าหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่คือข่าวคราวของโรคชาวโลกีโศกโปกรกดุงลังไม่ใช่เป็นข่าวคราวของอัดของธทรรมที่พระจะสนใจนำมา มาอ่านมาดูมาคิดมาทวงซึ่งเป็นเรื่องของเหตุไปล้วนๆห่างเหินจากอดจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นลำดับจนใจกันลึกลับรายเป็นพระหน้าด้านฐันดานยากมองเห็นหนังสือพิมพ์นี่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ไปหมดแล้วเวลานี้ให้พากัรทราบนี่คือภัยอันดับนอันดับแรกนะหนังสือพิมพ์จากนั้นก็วิทยุ ประกาศข่าวคๆ ข, ของโลกโลกีที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแทบทั้งนั้นทีเดียวที่จะประกาศข่าวๆ ข, ของอาจของธรรมเนี่ยมีน้อยมากไม่ค้นมีนี่อันนึงก็เป็นภัยอืมแล้วก็โทรทัศน์วีดีโอนี่หนักกว่าภันะอแล้วก็โทรศัพท์มือถือนี่ละภัยของพระ ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ทุกคนที่กล่าวว่าอะดีที่รุนแรงที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือได้จับเข้าไปเท่านั้นนหละอ้าวคอขาดได้เลยไม่สงสัยจับโทรศัพท์มือถือไปแล้วโทรศัพท์ไปหาอีสาวอีสาวอยู่ที่ไหนโทรศัพท์นักกันเข้าห้องไหนหับไหนที่แจ้งที่ลับจะอยู่ที่ไหนทำกันเหมือนหมาก็ได้ นี่โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องประหารพระเราวยังรุนแรงอย่างมากมายขอให้ท่านต่างหลายทราบเอาไว้นะนี่ละคือมหาภัยตามคำสอนพระเจ้าที่ไล่พระเขาอยู่ในป่าในเขากับเราเที่ยวสั่งสมด้วยกว่านหาสิ่งของนี้มาเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งทั้ง18ปพระอยู่นี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับพระเรา ถ้าไม่ใช่พระสันดาจยาอย่าให้มีในวัดในวาของเราให้มีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการทําจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอันสิน่งที่จะได้รับก็คือตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้นสําเร็จเป็นพระสกีตาคาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอนาคาคาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระละหันกลายเป็นสรณะของพวกเราท่านเรียกว่า เอสาภ ะ, ะวโตสาวกัสังโฆท่านเหล่านี้น่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สุปฏิปัญโยออชุญญาญาสามิจิปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอสาภกวโตสาวกัสังโฆเป็นผู้ควรแก่ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาปัจจัยทยทานที่ประชาชนทั้งหลายนำมากราบไหว้บูชา และกับปุญยาเขตต่างโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญอแห่งพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติปฏิปยชอบเป็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับสมบัติอันเลิศเเป็นเนื้อนาบุญแก่สัตว์ตั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกรารไหวบูชาขอให้สุขทุกท่านในปฏิบัติตามนี้ นี่แหละแนวทางของพระแล้วอย่บวชมาแล้วเอาผ้าเหลืองคุมหัวตามองไปแตสร้างโลกทางสงสารหูมองไปข้างนอกอยู่เราอยู่ในวัดตาหูจากหูเล่นกายท่งออกไปนอกเพื่อกิเลสสับเอาเผาเอาอยู่นี้ตลอดเวลาหามากนนี่ผ่านไปได้ละแล้วก็ย้อนกลับมาให้กิเลสมันหลอกย้อนบังคับกลับมาว่า เวลานี้ศาสนาไม่มีมากมีผลมรรคผลนิพานไม่มีพระพุทธเจ้าไปนิพานไปแล้วเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีมรรคผลนิพานไม่มีมันจะมีไนดะ้อย่างไงก็หัวใจมันไม่ได้สนใจกับอดกับทำตาตาหูจมูกลิ้วกายมันส่งออกไปข้างนอกเพื่อคิเลดตัดคอขาดตะวันตะันไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นอยู่กับตาแล้วมันจะมรรคผลนิพานมร อวดับเพราะโลกได้ยังไงผู้ที่จะเอามรคนิพานมาอวดโลกได้นั้นต้องอวดตัวเองซะก่อนให้ตัวองได้รับความแปลกเวลาอริจันทร์จากการประพฤติปฏิบัติของตนเริ่มต้นตั้งแต่อบรมสมาธิสมาธิภาวนาจิตใจทำงายจิตจริงสงบธรรมดาของจิตนี้ลีงร้อยตัวสู้ไม่ได้ในจิตของแต่ละบุคคลคนเดียวเท่านั้น พราะความคึกความขนองของจิตไม่มีประมาณไม่มีเช่ามีแต่ไม่มีไวมีแต่ความคึกความกนองแล้วเอาธรรมเข้ามาเป็นน้ําดับไฟมันแสดงเปลวออกไปทางความโลภความโกรธราคาตัณหาทึ่งล้นแลแ้วจากไฟน้ําดับไฟคือสติปัญญามหมุนติ้วเข้าไปด้วยกิตตภาวนาเอาบาังคับไม่ให้มันคิดมันจะคิดไปเรื่องโรคสารมันคิดมาตั้งแต่วันเกิด ม่าเอาความมหัศจรรย์อะไรให้เรามันมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาให้เราทีนี้จะเอาน้ําดับไฟพระพุทธเจ้าตรัสจรู้ด้วยน้ําดับไฟสาวกทั้งหลายตรัสจรู้ด้วยน้ําดับไฟคือด้วยภาวนาดับพิเลกทุกกองชิบหายไปหมดเป็นตรสราของโลกเป็นสาระของโลกขึ้นมา เราจะเอาน้ำดับไฟให้เป็นสาระของตัวเองขึ้นมาภารกิจใจของเราแล้วก็นกภวนาพุทโธเร า, าดูทีุ่ทธท่านทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธใครระเลือกถึงพุทโธไหมไม่มีใครจับจ่เ ล, ลึือกเป็นส่วนมากนะนี่แหละเอาพุทโธไปเ ล, ลึกเอาพุทโธมาบริกรรมในเวลาจะหลับจะนอนเวลาไปไหนพุทโธให้ติดเนื้อติดตัวเป็น คนมีสง่าราศีตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีเข่าไปเลยด้วยพุทโธหรือธโมหรือสังโฆหรือด้วยคําบริกรรมใดก็ตามเหมือนเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีเข่าแล้วมรรคผลนิ่ผานจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจซึ่งมีธรรมเป็นน้ําดับไฟอยู่ในใจของเราจยุไม่เคยสงบจะสงบหรือาจากการภาวนาการภาวนาเอาคําบริกรรมซะก่อนนะมานึก เฉยๆไม่ได้น่ะเอาคาบริกรรมให้ติดกับจิตซะก่อนแล้วเอาสติติดกับคาบริกรรมไม่ให้เผลอยิ่งเวลาภาวนาแล้วเผลอไปไม่ได้บอกงั้นเลยตัดขาดตะ บ, บันกันเลยกับความถือไม่เผลอเอาจิดมันจะนิดดิ้นไปโลกไหนวะธรรมจะเอาไว้ไม่อยู่ไม่เคยมีธรรมนี้ปราบได้ท้งนั้นเลยเอาธรรมนี้มาปราบความดีดความดิ้นของใจแล้วก็สงบลงได้ด้วยสติ ด้วยคำเอาบริกรรมภาวนาของของเราจากนั้นไปใจเมื่อจะมีการรักษาด้วยอด้วยธรรมคือกรรมวิกรรมและสติกรรกับเป็นต้นแล้วจะมีความสงบเย็นพอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วจะกล้าหย่างเข้าไปหาสมาธิคือความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงพอจิตมีความสงบแน่นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเป็นโอกาสอันงดงามที่เราจะได้ ทิ่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตอิ่มอารมณ์เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ถ้าจิตกําลังฟุ้งซ่านราคานนําไปพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดจะไม่เป็นปัญญาแก้กิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเวลาจิตมีความสงบแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นนําจิตออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี้ก็หมุนเข้าไปหา เจรสารวมาหน้ขาชันตาตะโจของพระเราละนี่มูลกรรมฐานเบื้องต้นเราเอากรรมฐานทั้งห้านี่จะเป็นบทใดก็ตามเป็นคําบริกรรมภาวนาให้กินอยู่กับกรรมฐานทั้งห้านี่บทใดก็ได้เสียก่อนต่อจากนั้นไปกินจิตเรามีความสมบงบร่มเย็นอารมณ์ทั้งห้านี้กลายเป็นอารมณ์วิบัตินาเจริสาแยกออกไป ทั้งแก่ผมเขาผมเราทั่วโลกดินแดนโลมาหน้าขาตั้งตาโจมมีอยู่เลยกันเและต่โจนหนังหนังหุ่งห่อไปทั่วโลกดินแดพอพิจารณาไปถึงหนังแล้วถ ล, ถลกหนังออกหมดแล้วคนมีที่ไหนผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีมีแต่ความวุ่นวุ่โซโคแดงโลไปหมดเพียงเท่านี้ก็ก็ะจายเข้าไปถึงภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยลำดับลำดา เข้าไปในตับไตไส้ขูดเป็นปา่าช้าผีดิบไปหมดในสายทางของการภาวนาด้วยปัญญานี่แหละที่นี่ปัญญาออกก้าวเดินแยกแยะสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดมันไม่เคยเห็นแต่พอจิตมีความสงบแล้วนําความสงบนี้ออกมาพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเห็นไปหมดในร่างกายของเราที่แบกศพทั้งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ จะกระจายไปหมดทั่วสันนพังร่างกายแล้วกายเขากายเรากายสัตว์โลกสงสารตั้งหลายจะเป็นแบบเดียวกันนี้หมดเรียกว่าปัญญาเนี่ยให้พิจารณาทางด้านปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกทีนี่เห็นภัยกิเลสจะเริ่มเห็นตอนนี้เห็นภัยของอกิเลสตอนจิตฟุ้งซ่านก็เห็นในทางสมาธิจิตไม่วุ่นวายจิตมีอานิสงส์อันหนึ่ ง, นนงแต่ที่จิตจะไม่มีอานิสงส์มากก็คือทางด้านปัญญา แยกธาตุแยกขันธ์ออกพิจารณาอาสุภะอาสุภังชุกขังอันนี้จังอนัตตาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคราดมาจนมูลคราดมูลสาย ล, ละเอียดแล้วควรแก่การปักดำเขาก็ปักดำอันนี้เราพิจารณาทบทวนอยู่จนกระทั่งจิตมีความชำนี้ชำนาญแล้วพิจารณาอะไรมันจะแตกกระจายไปทันทีทันใดตั้งขึ้นนี้แต่กระจายกระจายให้เห็นทันใจทันใจเรียงกับปัญญาคร่องตัว นี่แหละพิจารณาอย่างนี้แล้วทีนี้กิเลส จ, จะค่อยหลุดรอยไปตอนนี้แหละนะเรื่องสมาธิเรื่องนั้นเป็นจะเพียงวา่าตีกิเลสให้สงบเข้ามาไม่ใช่สอนกิเลสนะสงบให้กิเลสสงบตัวเข้ามาปัญญานี่คลายตีกิเลสแท้แต่าากราะจายระจายายเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาให้ท่านทั้งหลายนําไปพิจารณาพระพรูปพระหลาน ที่มาฟังวันนี้ไม่เคยภาวนาก็มีให้ภาวนาหลวงตานี้ภาวนามาอย่างโชคโชนพูดได้เต็มปากในธรรมเหล่านี้หลวงตาครองไว้หมดแล้วนะพูดให้อย่างฟังอย่างชัดเจนการภาวนาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มลุกคุูขาดมาเรื่อยเรื่อยกิตก็ค่อยสงบเย็นเข้าไปตามทางที่อธิบายมาแล้วนี้จนกลายเป็นสมาธิติดสมาธิแน่นหนามั่นคงไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเป็นเรื่องรําคาญใจ แต่ก่อนไม่คิดไม่ปรุงไม่ได้อกมันจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิทับหัวมันลงไปความคิดปรุงหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความสงบแนวเป็นอเอกะก็กรีเอกะก็เอกะก็ทำเป็นเ ะ, ะตาลมเอกก็ตาลมเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอกินพออยู่นั่งขี่ไหนกี่ ช, ชั่วโมงลืมวันลืมคืนไปนี่แหะกิจเพลินในสมาธิคือความแน่นหนามันคงของใจไม่ยุ่งกับการงานอะไรเลย เพียงเท่านี้จิตก็พออยู่พอกินแล้วสําหรับพระนักปฏิบัติเราดีไมนดีติดสมาธินี่เมื่อเป็นมามากแล้วมันก็จะเอาความรู้คือเอกตารมคือจิตรู้อันเดียวท่านั้นเป็นนี่ผ่านไปได้นะ่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกจิตออกไปทางด้านนิปัสสนาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี่จะเบิกออกไปแล้วที่นี่เบิกออกเบิกออกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า อย่าถือว่าเป็นเที่ยวนั้นเที่ยวนี้นะเอาจนกระทั่งมันมีความคล่องแคล่วแกร่าสามารถพิจารณาคำนวณ พ, แพัแตะพางแตะพางแตะพางมองดูหญิงดูชายมองทางกระดูกเป็นกระดูกไปหมดมองทางเนื้อเป็นเนื้อมองอะไรเป็นนั้น ท, ทันทีสันทีนี่เนี่ยวาทางด้านปัญญาชำนาญคล่องตัวคล่องตัวจนกระทั่งคล่องตัวหมดแล้วรูปนี้หมด เอาฟังให้ดีนะนี่แห ล, ละเราดําเนินมาแล้วมาสอนทั้งหลายไม่ผิดอพูดอย่างอาฐานเมื่อเวลาพิจารณาเรื่องอสุภาอสุฟังนี้เต็มเนื้อเต็มตัวจิตมันคล่องตัวคล่องตัวพี่กำหนดตั้งขึ้นให้เป็นอย่างไรแป้นได้ตามต้องการต้องการจากนั้นก็ได้พอตั้งขึ้นพับดับผู้ถูกสุดท้ายอสุภาอสุฟังทูกขังในจักรวาลมันไหลเข้ามาสู่หัวใจนี้เลยนะเข้ามาสู่หัวใจตัวไปปรุงไปแต่งว่าอนั้น มเป็นสิ่งนั่นอันนี้เป็นนี้ว่ะเช่นเป็นอันนี้จังทุกขังตาเป็นอรุปภาพอรูปปางรวมแล้วมันมาเป็นอยู่ที่จิตนั่นไหลเข้ามาสู่ที่จิตเพราะมันจิตมันรวมที่จิตจิตเป็นผู้ไปวาดภาพสิ่งอะไรมาเราตัวเองพอรู้ว่าสิ่งของนั้นเป็นจิตอราปภาพปล่อยสิ่งขอานั่นออกมาออกไปหมดเลยหรือแต่อรุปภาพอรูปปางภายในจิตนี่เรื่องการพิจารณาร่างกาย ส่วนใหญ่จะยุติลงในจุดนี้กามราคะจะขาดไปตรงนี้เอาฟังให้ดีแต่จะต้องอาศัยอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจิตเอากําหนดมันก็จะไหลเข้ามาสู่ใจไหลเข้ามาสู่ใจที่เราจะกําหนดแยกธาตุแยกขันธ์นั่เป็นอย่างนั้นนี้เหมือนแต่ก่อนไม่ได้มันรวดเร็วพอตั้งขึ้นพระมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอาอุูพะอสุูฟังเสียเองใจเป็นปา่าช้าผีดิบเสียเองใจเป็นผู้วาดภาพเสียเอง มันจะมารวมอยู่ที่ใจที่นี่มันก็ปล่อยเรื่องข้างนอกที่ไปว่าดภาพว่าหญิงนั้นชายนี่นองนอกไกลๆ ไ, ไป ห, หมดมันมีอยู่ที่ใจเกิดดับอยู่ที่ใจนี่ละเรื่องราค้าตันหาขาดกันที่นี่เอาฟังให้ดีนะพอพิจารณานี้แล้วนี่เบื้องต้นความมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่นั่นแหะลาคะตันหาขาดตรงนั้นได้สอบได้แล้วห้าสิบปอร์เซนต์การนี้เป็นการฝึกซ้อมอันนี้ฝึกซ้อมแล้วไหลเข้ามา เอาดูภาพรูฟังลูกก็มาฐานนะกําหนดแล้วไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ใจเรีวเข้าเร็วเข้าสู่ท้ายพิจนาอะไรไม่ได้มันไหลเข้ามาปรากฏแล้วไหลเข้ามาสู่ใจใจแล้วจากนั้นก็นี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมราคะกามาราคะแล้วหมดไปได้ระดับห้าสิเอร์เซ็นตได้แล้วน่ะที่ต่อไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่หมายถึงผู้เชื่องช้านะ มันหมายพูด ท, ที่เป็นชิปปาพิญญานี่หมายถึงเราเราท่านท่านวิธีการดําเนินมากจะเป็นอย่างเดียวกันจึงได้ชี้แจงให้าาท่านหลายท่านทีนี้พอพิจารณานี้สร้างขึ้นพับดับพิ่ดับพิ่ที่ยังไม่ได้เข้ามานะมันรวดเร็วจากนั้นจิตก็ว่างเลยไม่มีอาชูฟ้าอาุูปปังรูปหญิงรูปชายในโลกของฐานภูเขาทั้งรูปหมดด้วยความว่างอํานาจแห่งความว่างตีขนาดแรกหมดว่างไปหมดนี่ ทีนี่มันว่างนี่พิจารณาอะไร ก, ก็อาศัยอรุปภาน่ะตั้งภาพตั้งภาพเรืู่ปรูปธรรมแหละตั้งภาพเป็นการฝึกซ้อมนมามธรรมให้มีความเปี่ยวกา้ามองดูเข้าไปกระแสของจิตนมามธรรมคือกระแสของจิตสังขารวิญญาณสัญญาอารมณ์เกิดมาจากจิตมันจะวิ่งเข้าถึงจิตวิ่งเข้าถึงจิตไปโดยลําดับลาดาเอาอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบกันเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปนมากันเร็วเข้าไปเรื่องรูปอะไรนี่หมด ว่างไปหมดเลยแต่มันว่างข้างนอกนะหัวใจยังไม่ว่างเอาฟังให้ดีเนี่ยมันว่างแต่ข้างนอกโดยการพิจารณาพอพิจารณาสิ่งนี้แล้วก็เป็นนามธรรมฝึกซ้อมเรื่องการชิดการปรุงสัญญาอารมณ์มันปรุงขึ้นดับไปดับไปตามเข้าไปถึงใจถึงใจเกิดจากใจดับที่ใจดีชั่วดับที่ใจเกิดดีก็ดับเกิดชั่วก็ดับดับที่ใจใจเป็นต้นนี่ใจเป็นต้นนี่ ไล่เข้าไปไล่เข้าไปใจนั้นมีอะไรอยู่นั้นอวิชาปฏิยาสร้างขารามอะไรสร้งขานภูงิวอกมาเป็นสมุทัยนั้นไล่กข้ไปถึงตรง น, นั้นแล้วก็ไปถึงตัวลากแจ้วของก <c oughs> ิเลสตัณหาสภาวะของวัตวันนี้และแต่อวิชาฟาดกันขาดสาวบ้นขอกไปนั้นแล้วที่นี่ว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างภายนอกนี่ว่าหมดว่างภายในคือหัวใจมายืดตนเอง มันยืดเขายืดเราหมดนี่เราว่างข้างนอกว่างข้างในถ้าเราจะเทียบว่าเหมือนว่างข้างนอกนั่นเหมือนห้องว่างเราห้องนี้ว่างเดินเข้าไปดูห้องนี้มันว่างแต่เราไปยืนขวางห้องอยู่น้่หน้าตัวเราไปขวางห้องไม่ดูตัวแล้วว่าดไปห้องเนี่มันว่างว่างตัวของเราไปขวางห้องไม่อยู่ที่ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองมันยังไม่ว่างถ้าอยากให้ว่าง มันไม่มันจะว่างได้เจ้าของมายืนขวางห้องอยู่นั้นน่ะจะเรียกว่าห้องมันว่าอะไรถอนตัวออกมาที่อยากให้เห็นห้องว่างนี่เรียกว่าจิตรูตั้งแต่ภายนอกรอบไปหมดว่างไปหมดเรียกว่าห้องว่างที่ย้อนคําว่ารู้ภายในตัวเองคาดสะบ้านไปหมดสมมติตัวยืดเรายืดเขาที่ละเอียดอยู่ที่จิตจิ ต, ตอวิชานั่นแหละที่นี่พอรู้ตัวนี้จิต ต, ตัวนี้ถอนตัวผางเรียกว่า เราออกจากห้องแล้วที่นี่ว่างไปหมดเลยเรียกว่าว่างทั้งข้างนอกว่างทั้งข้างในพระพุเทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านไม่ถามกันถามกันอะไรทาเป็นเดียวกันส็จสดลอนนี่หละ ว, ว่างนอกว่างในจเจ้ามรณะพระลูกพระหลานเวลาว่างข้างนอกก็เป็นแดนอัศจร์แดนหนึ่งมเราไม่พูดไปมากละมันเสียไปน้ำเวลาที่พิจะรนาเขาไปำจำนี้จำนั้น จนกระทั่งถึงว่างข้างในปลอยข้างนอกแต่ยังไม่ปลอยข้างในก็ยังไม่ว่างเต็มที่ปลอยข้างนอกด้วยปลอยข้างในด้วยว่างข้างนอกด้วยว่างข้างในด้วยว่างข้างในด้วยโล่งไปหมดเป็นสุญญโตโลกัลเวกขสูโมคราชดานัสดาสโตดูก่อนโมคาลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อดู โลกเป็นของศูนเปล่าว่างเปล่าถอนอัตตาทุิติแล้วจะข้ามพ้นพยามัจุราเสได้พยามาจุราจะมองไม่เห็นคนที่พิจารณาโลกเป็นของศูนเ ป, เปล่าว่างเปล่าอยู่อย่างนี้จิต ด, ดวงนี้ที่ท่านสอนพระโมคคัาชจะมาปรากฏตัวของเราขึ้นเป็นพระโมคคราชองค์หนึ่งขายเป็นขึ้นอย่างนี้เป็นพระโมคคัาชด้วยกันหมดว่างที่ตรงนี้นะที่นี่ว่ามองดูโลกว่างหมดหวัวใจมีอำนาจมากนะ โดนไม้ผูกเขาทั้งลูกมองไปตาเห็นเป็นลางๆๆแต่อํานาจของใจที่ว่างเต็มตัวนี้มันทํามันปราบไปหมดนะว่างไปหมดเลยนี่ที่ว่างจริงๆว่างจริงๆว่างอย่างนั้นโลกว่างอย่างอย่างนั้นใจว่างนั่นเองโลกว่างยังไม่ถึงที่พอใจว่างด้วยกันฉะนั้นว่างไปหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมพาลูกพาหลานให้นําไปปฏิบัติศาสนธรรมของพระเจ้านี้ มคือตลาดแห่งมะพร้นิพานเป็นตลาดมะพร้นิพานอยู่ล้วนๆจะไปหาชมตั้งแต่ชีหมูราชีมาแห้งให้ชมอยู่ตลาดมะพร้นานิพานดูที่จิตมันกิเลสตัณหามันอืครอบงำเอาไว้จึงมองหาอะไรไม่เห็นเห็นแต่กิเลสอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเป็นมากกับตลกทางสารอืมันมีคนคนชั่วแต่ก็มีแต่คนดีมีแต่คนฉลาด แน้มคมนั้นใครไปว่ามันไม่ดีไม่ได้ใครว่ามันโง่ไม่ได้ต้องว่าให้ว่ามันฉลาดฉลาดตัวกิเลสนั้นมันชอบยอ่อสําหรับธรรมแล้วท่านไม่ยอมอยู่ตามหลักความเป็นจริงใครจะตั้งอะไรอะไระตั้งไปอันนี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นทั้ง น, นั้นธรรมชาติที่พอเหมาะพอดีด้วยความวัชจรย์เลิศเลือกือจิตที่พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแล้วนี่คือจิตพอตัวอย่างเลิศเลือที่เรียกว่านี้ผ่านเกี่ยงไปหาที่ไหน ดูหัวใจถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละแต่ทะลุผางขึ้นมาเนี่ยนาทีเส้โยวาภะโยพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายต้องลงไปถึงสาวกเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันนี่ดูพระพุทธเจ้าดูที่นี่จะเห็นทั่วถึงไปหมดดูนิพพานดูที่นี่นะดูที่ไหนไปหารูปคํานั้นดูจนกระทั่งวันตายไม่เกิดเอาดูให้เริ่มแตะรอยไปตั้งแต่เริ่มภาวนานะ เอาพุทโธก็ได้คมบกก็ได้ให้ atac, แตะรอยพระพุทธเจ้านะรอยเฉด็จพระพุทธเจ้าเสล็จไปอย่างนี้สาวกเสล็จไปอย่างนี้ไปนะาตามรอยไปจะเป็นไปดั่ที่เรากล่าวกันที่นี้นะตามรอยไปจนกระทั่งถึงว่างนอกว่างในนั่นหลักทีน่นึ่ถึงตัวแล้วถึงตัวแล้วข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างนี่ถึงตัวโคถ้าเราตามโคถึงว่าโคนิพานแล้วถ้าพูดถึงวัคโคนิพานดูให้ดีทุกคนอ่า ทำเหล่านี้สดๆร้อนอยู่ในพุทธศาสนาของเราเอาไปหมกไปทำไมอยู่ในตู้ในหีบพวกเรามันเป็นหนอนแท้กระดาษอ่านแล้วไม่เคยสนใจกันจะปฏิบัติตามธรรมที่ท่านสอนซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแต่อ่านเอาแล้วมันให้กิเลสเข้าไปครอบเอาไปหมดไอ้กิเลสเป็นเจ้าของก็สาคัญตรว่าเรียนได้ชั้นนั่นชั้นนี้ชั้นขี้หมาไรภาษาชื่อ ใครตั้งก็ได้ซื้อตั้งฟ้ากเกลือลด้เตี่ยงก็ได้แต่หัวใจเต็มบปหมดเลยมูดเลยพูดมันประเสริฐอะไรดูหัวใจของผมมันจ้าไปหมดนี่แล้วอยู่ที่ไหนมันสบายหมดนะ่ะพวกลูกพวกหลานพระเนรทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัตินะมันชดดลลอนอันภัยที่กล่ามาเหล่านี้ให้อย่าลืมนะพวกรังสีพิมพ์พวกวิทยุพวกโทรทัศน์วีดีโทรศัพท์มือถือนี่คือเพตฌฆาตสังหารพระนะ ใครอยากกล้หาญจันชัยถ้าอยากม่จมทั้งเป็นนะนี่าศาสตราโอเอกสอนไว้เรียบร้อยไล่เขาในป่าคือศาสาองโอเอกให้พิจารณาโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคารวะเป็นคารวะพระเป็นพระอยู่ด้วกันมันก็ไม่เหมือนกันที่นี่หน้าที่การงานที่จะปฏิบัติต่อกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงคารวะเขาปฏิบัติต่อสิ่งของนี้อย่างนั้นเราปฏิบัติต่อสิ่งของนี้อย่างนี้นัตตออน่ น, นคือไม่สนใจจะสนใจแต่ทำอย่างเดียว เขาปฏิบัติอย่างนั้นเขาสนใจกับสิ่งนั้นเราปฏิบัติต่อทำอา้าพุทโธธัรมโสงโคภา ว, วนาดูหัวใจด้วยสติให้ดีนี่เราดูอันนี้เราดูนี่ทำจะเกิดที่นี่ความสงบลมเย็นจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วความแปลกวะะ่ละอาจารย์จะเกิดขึ้นที่นี่ไม่เกิดขึ้นที่ไหนแล้วจะจ้าขึ้นที่นี่ท่านลองสายไปหาพระโนนี่ฝันที่ไหนพวกชาวพูดเหล่านี้มันพวกว่า ท, ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ดูที่เข็มทิศทางเดินที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไกรปีฎกนั่นคือองศาสดาทั้งนั้นนะพระไกรปีฎกนั่นนะองศาสด า, านั้นมันเหยียบหัวศาสดาไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ่านธรรมะพระพุทธเจ้านมันยังลบมาผลนิพพานว่าผลนิพพ า, านาไ ม, ม่มีมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่กําลังอ่านอยู่นั่นแหละเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพวกเราพวกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าน่ะ ตีนมันเนี่ยเจ๋งน้าตาตีนชี่เหล็กเนี่ยเหยียบหัวผู้ที่เจ้าไดนะ้น่ะเอาให้หมอะกับผู้ทีเจ้าที่อ่านลงไปเอาไปปฏิบัติดูที่ผูทีเจ้าโกโหกโลกจริงหรือพระพุทธเจ้าองค์ได้จัดสรูปขึ้นมาไม่ได้แสดงทำของจริงแอร์กันน้มากิงคืออะไรนี่หนึ่งไม่มีสองหนึ่งไม่มีสองคืออะไรพระยานอย่างทราบกับผู้ที่เจ้าท่าลวงได้อย่างทราบอะไรแล้วไม่มีสองนะ่ะ เพราะว่าเจ้าที่รับสั่งไปแล้วเป็นสวัสดิธรรมตัดไว้ชอบทั้งนั้นไม่มีผิดนั่นเรียกว่าเอกนามากิงพระพุทธเจ้าปรอุบัติขึ้นได้ทีละพระองค์เท่านั้นไม่มีสองนี่ยเอกนามากิงคือศาสตราของเอกสอนทำไว้เป็นเอกเป็นเอกไม่มีคู่แข่งพระากันจำว่านะนเช่นไปเช่นมาก็รู้สึกเด็ดเหนื่อยมื่อละการเทนสนาวาการ ก็ขอภยอภัยจากวรราพี่ น, น้นองลูกหลานทั้งหลายเอาพักแก่มาเทศเป็นอย่างนี้นะหลงหน้าหลงหลังหลงนั้นหลง น, นี่แล้วสรุปความลงไปนี้นะทำที่มาสอนท่านทั้งหลายนี้นะหลวงตามาสอนอยู่นี้หลวงตามไม่ได้ไปหารูปทำที่ไหนพูดแล้วสาธุเราเรียนมาตามคมภีบรบวลานตลอดลากอนจะมาเป็นสมบัติของตัวจากภาคปฏิบัตินี้ออกมาจากคัมภีบวลาท่านชี้เข้ามาท่านเห็นไหมปริยัตพิพระไกรปิฎกชี้เข้ามาที่หัวใจของเรานี้นะ เราทำไมไม่ปฏิบัติตามท่านเหยียบหัวท่านไปทำไมให้ขี่เข้ามาดูเข้ามาที่เอาสอนเรื่องภาวนาเอาดูมันเป็นยังไงใจลิ้ยงทั้งตัวเต็มอยู่ในหัวใจเรานี่ร้อยตัวยังสู้มาได้ความคิดตัวเองว่าเอาเข้ามาดูนี่น่ยมันจะจ้าขึ้นมาที่นี่แล้วก ร, ราพระพุทธเจ้าอย่างราบทุกพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่หัวใจที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วนาติเสี้ยวปายพโ ย, โยไม่มีความยิ่งย่อนกับกันคือความบริสุทธิ์ ของบุรีเจ้าเลยสาวโบช่างหลายนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนาธรรมของบุรีเจ้าเรียกว่าเอกรณ์นามกิงหนึ M ่ง <c oughs> ไม่มีสองฉุดรากสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงเพียงเท่านั้นโดยถ่ายเดียวนะไอ้กิเลสมันฉุดลากลงฉุดลากลงพระบุรีเจ้าว่าง่ายมันคอ ย, คอ ย, อยําหนิดีเทียนคอยผิการคาดกานให้ระวังให้ดีนะกิเลสตะา่าเวลาจะไปวดัดไปวา่ากิเลสมัไม่ว่างเห็นไหมละ่ะ เนี S <S mm ่ยเวลาจะไปวัดไปว่าม really ันกิเลสไม่ว่างอันกิเลสบอกว่าไม่ว่างจะไปอะไรไปสร้างคุณดีความคุณงามความดีมันไม่ว่างเท่านั้นแหะเงินมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านจะไปทานเอาไปหาอะไรเงินอาไปทานแล้วไปใหผ่าหัวโล้นกินหมดไอ้เราหัวขนมันกินแล้วมันมันหายไปไหนกินแล้วมันก็เป็นมู่เป็นพลุเหมือนกันเนี่ยผ่ากินแล้วทําเป็นบุญเป็นคุณเอาสมวัตยกน นันทายาทาไปถวายท่านมันเป็นบุญเป็นคุณเป็นสมบัติทิพขึ้นมาแล้วนันรู้ไหมนี่เจ้าของไปกินเป็นมูดเป็นคูดขึ้นมามันต่างกันนะเอาว่าถวายพระมันเป็นอาหารทิพขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในหัวใจเรามันต่างกันนะเราให้เรากินเองให้ใครก็ใครกินเองมันเป็นมูดเป็นคูดขึ้นมาแต่เอาไปถวายพระท่านนี่เป็นอาหารทิพขึ้นมาใครสร้างได้มากเท่าไรสร้างได้มากเท่าไร สมบัติทิพ์จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นไปแดนสวร น, นิพพาอะไรพาไปถ้าไม่ใจสมบัติทิพ์เกิดขึ้นจากกาความดีของเรามีการให้ทานเป็นต้นนี้จะมาจากไหนพากันจำให้ดีนะพวกวันิบัติทั้งหลายนะอย่าหลงศาสนานะที่เล็มันคลื่นใหญ่มากทีเดียวทำน่าเป็นเหมือนกับฝ่ามือไปกั้นคลื่น กิเลสตนาซึ้นเท้ากับมหาสมุทรนี่มันจะไม่ไหวนะไม่ไหวก็จะไปกั้นของใครกั้นตัวของเหล่านี้เอามันจะหนาขนาดไหนนะขึ้นของกิเลสมันเท่ามหาสมุทรไหมฟามือเราให้ใหญ่กว่ามหาสมุทรคือความเพียรตีมันลงไปตีมันไปขาดสั้นไปกิเลหมดเหมือนกันข้างพระพุทธเจ้าศาสตราเอกสอนโลกด้วยธรรมอันเดียวกันนะกิเลสก็มีวิชาเดียวกันที่มากรมจักรโลกทำเป็นเครื่องแก้กิเลตปราบกิเลสก็มีธรรมพระพุทธเจ้า พระองค์เดียวนี้ท่านถูกต้องไปหมดแก้กิเลสเคยลากมาม า, มากตอนมากแล้วนํามาแก้แล้วมันจะเก่งไปไหนกิเลสน่ะฟานมันขาดจาก บ, บ้านางไปนะเอานะวันนี้เทศศาสนาว่าการก็เหนื่อยลงเหนื่อยลงนะบรรดาพี่น้องทั้หลายที่มาฟังเทศวันนี้ดูมีมากม า, กาย ก, กากองเป็นไงให้พากันนําไปคิดไปตรองนะแล้วก็ขอสอรุปความแห่งธรรมทั้งหลายที่นํามาเทศท่านทั้งหลายนี้นะหลวงตาเทศด้วยความอาถรรพ์ชานชัยเหนือโลก เนือสมุดคำว่าอานฐานกับเนือสมุดทุกอย่างเต็มในหัวใจนี้หมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตะเกียกบตะกายเข้าป่าเข้าโลกจะเป็นจะ ต, ตามไม่มีใครเห็นนะเวลาอยู่ในป่าในเขา <c oughs> ลื้อฟื้นออกมาตั้งแต่มันสงสัยมรรคผลนิพพานจับคัมภีร์อ่านนะนะคัมภีร์นี้ท่านแสดงมรรคผลนิพพานนี่แล้วส่วนส่วนใหญ่มันก็เชื่อแล้ว่าส่วนยอดมว่าเอม๊มรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนานั่นเห็นไหม อ่านคำพีของพพุทธเจ้าอยู่นั้นมาเหยียบหัวพุทธเจ้าไปในขณะที่อ่านนั่นบางทีนะทีนี้ก็น้อมรับคำของพระเจ้ามาเทิดทูนด้วยการปฏิบตัติการปฏิบัติก็กระจ่างขึ้นไปกระจ่างขึ้นไปอย่างที่ว่านี่ตั้งแต่สมถะ ธ, ธรรมวิปัสสนามิสมรรัทธธรรมวิปัสนาธรรมฟ้านกระทําถึงวิมุตติธรรมเราไม่สงสัยเวลานี้การสอนโลกเราสอนด้วยธรรมชาติธรรมสมบัติเป็นของเป็นอัตตาสมบัติของเราเอง ทำมสมบัติทั้งหมดนี้มากลายเป็นอัตมาสมบัติเป็นสมบัติของเราลุ่นล้วนที่สอนท่นานนลายนี้สอนด้วยความไม่สงสัยว่ามีบุญมีนรกสวรรค์มีพระพุทธเจ้าว่ามีชั้นใดเรากราบราบยาข้ามนะใครว่าบาปไ ม, ม่มันจะจมทั้งเป็นนะบุญไม่มีมันจะไม่สร้างบุญจมทั้งเปลนอีกพวกนี้นะนรกสวรรค์มีมีมาตั้งแต่กาในไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนตาสุลูใครมาลบล้างได้เมื่อไร่าบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตาสุลูยอมรับด้วยกัน จึงได้บอกว่าบาปมีบุญมีเหมือนหากว่าในบรบล้างหมดได้จะยากอะไรว้าอ อ, องค์นี้มาจัดฉลูนบาอนาอะไรนี่ลบล้างพวกเปรตพวกผีรบหลุมไหนบรบล้างหมดไปพวกเธอไปหาสแตกเล่าเมาสุ้ลาไปหาหญิงหาชายมาขี่ผัวขี่เมียยิ่งกัหมาก็ได้นะค่านี่เป็นลบหมดแล้วค่ า, เ ป, าเป็นปราบมันหมดแล้วไฟนรกไม่มีแล้วเอาหนีไป ใครยังได้สิบผัวให้ไปยี่สิบผัวให้ไปใครยังได้ยี่สิบเมียให้ไปคอยค่าค่านี้ลบหมดแล้วบาปบุญไม่มีท่านจะสอนอย่างนี้กับเราแต่นี่ทําไมท่านไม่สอนพระพุทธเจ้าองค์ใดก็มายอมรับก็เพราะธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมจากการไหนไหนรับราชการร่างไรตัวเท่าอื่นนี่รร่างไรนั่นถึงขั้นศาตดานย่างร่างมาไรเราเก่งก็ซาสดาไปไหนไอ้เจ้าไม่ดีนะ้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าจะเป็นคนขึ้นมาโดยลําดับ เป็นคนดีคนดีเป็นลูกชาวพูต่อไปเป็นธยเวลาอินผมพุ่งขึ้นถึงนิพพานถ้าเชื่อพระุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อขี้เหลือสั่ ห, หาก็วันนี้เป็นเป็นมนุษย์ต่อไปเป็นสัตว์ต่อไปเป็นเป็นผีต่อต่อไปแล้วก็เป็นสัตวน์นรกเข้าใจไหมละ่ะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันเหนื้อเหนื่อยเมื่อยล้าแก่<อ>าการใช้ เ, เวลาขอความสวัสดีต้งมีแก่บรรดาสิ พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกนันเทินอ้านเทวันนี้ก็มีท่านเจ้าคุณรองสมเด็จท่านมาเป็นประธานนะท่านพาบรรดาพี่น้องทั้งหลายประชาชนทั้งพระทั้งเลนทั้งประชาชนนําบรรดาพี่น้องทั้งหลายฉุดลากออกจากความยุ่งยากปากหมองออกมาสู่อัตตุธรรมเป็นความสว่างสวัยด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ ท่านมีท่านเองก็มีอันนี้ส์มากบรรดาลประชาชนทั้งหลายก็ได้รับอันนี้สงบนุ่นจากท่านที่ยักส่วนมานั่นเองนะพระอย่าไปลืมคุณท่านนะท่านพามานี่นะเอาละพ อ, อโอ้ ย, อยนี้กลามกว่ากัน <c oughs> มาเที่ยแล้วก็ไปเลยตลอดเลยเดี๋ยวแล้วก็เราค่อมาพูดกันเมนืแล้วก็ได้เราเป็นกันเองผมนี่เจ้าเลือ <c oughs> เลือไปก่อน <c oughs> เออครัเออเอาเอาแต่ว่าสั้นจัดั้นแต่วากกี่นาทีวันเหรอเทสักกี่นาทีนผู้ขกับตายหรือยังภู้ขกับเหรอผุ้กับตายหรือยังเนี่ยถ้าถ้าตายเราจะพอดีบหะเวลานี้พระกำลังมากจะให้ไปกุศลลอผู้กับถ้าทั้งยังไม่ตายเทสได้เวลาเท่าไหร่ต่อมายอยู่ไหนในผู้ขกับ โ่นาทีครับึ่งชั่วโมนาทีครับเท่าไหร่ชั่วโมงแปนาทีชั่วโมงแปนาทีโอ้ย<อ><อ>ังอยู่หรือพุมกามอ่ะอ <c oughs> ชั่วโมงแปดนนั้นวันไดนมากนะวันเลยมากเนานนู่นเห็นคนเต็ม <c oughs> หนีเท่านี้แหละทุกวันนี้นะอย่างมากก็แค่นี้ชั่วโมงแปหรือชอั่วโมง 4ี้านาทีหรือสี่สห้านาทีเท่านั้นอดกาลังหมด อ, อ, อพักเครื่องก่อนนั่งพุโทโธอยู่ในใจสงบด้วยพุโทโธพวกนี้อย่าสงบด้วยคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดเป็นบ้ามันก็เกิดมา ก, กับบ้านกับเรือนอ กูสามารถที่จะพูดได้กว้างขวาขงไปไม่ได้เวลาไม่พอจ ะ, จะยอดเข้ายอดเข้ายอดเข้าไปาอ๋อผู้เชี่ยวชาญเช้าหลังนี้ความกว้างสาสบเมตรความยาวหกบเมตรวันนี้มันมีความหมายเนี่ยเต็มหมดคนอยู่ข้างนอกยังมากกว่านี้อีกเต็มไปหมด เคยเพื่อนแฟนอยู有有่ตแต่ก็ตานั้นเยอะาลาบรุได้ชาวลีแหละเออเราพายว่าเนี้ยเนี้ยอะอเยอะให้กากขึ้นเดี๋ยวปเออกาก อ uh ันเรียนวัชชะที่เราโตมาจากนามาจาร ขามีลุ้มแห่หพี่เมฆขามีตับบังเอวังหูตอ้าลืมแล้วลืมาขึ้นก็เอวังหตโยจะพูเบไหนโยจะเบปมัทิตวาเอวังหตอะไรวังตโยจะพูเบยโยจะเบปมัิตวาออ ท่านทั้งหลายมีความประมาททั้งภาคต่อผมด้วยกลายว่าจะใจทุกอย่างผมให้อภัยชดเชยท่านทั้งหลายและขอท่านทั้งหลายในเมื่อรับขมาต่อกันกันแล้วเป็นว่าหมดไพ่หมดกรรมหมดเวรให้ตั้งใจไปเพื่อไปจิบัติช่วหน้ากันนะเอาละสาธูเพิอมหน้ากันพอใจมก็เห็นไหมเวลามันมันจะลึกใจเพนัแล้วก็มาก็ไม่ได้ ้าแต่ป <c oughs> เป่อะไรเนปาชุเลอื่า <c oughs> ขายหน้าต่อคนมากๆเลด้วยนะไม่ได้ขายธรรมดาเวลาเข้าสงฆ์ขามไปอาบเปลาอื <c oughs> มอืมอืม เดี๋วจะให้พรให้พรตัวหน้ากันก่อนอจะดวนลูกจะดวนลูกนั่งก่อนจะให้พรให้พรตัวหน้ากันก่อนจะให้พรให้พรให้พรเออเออเออเออเออเออจะให้พรปิตตังปิตตังตุ้มหางคีพเมว่าสมิจเตู พระเพรูเรตุสังกปาจันโทรนะระโสยะถามิโสติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชนตุสัพโลโควินาสตุมาเตหะวัคมันตะโยสุขีที่ฆาญุโกหวะอรพิวาชนศสีลิสนิตจัง บูชาพรเจาวิโนัตจารโอธรรมาว่าชานเตะอายุวันนอสุขังภารังเงยให้ใหวางก็จะไม่ได้เงยเออเอาละสิเอาละเอาดูได้ไปได้เ อ, อืเออเอว า, างว า, างวางคู่มารับรับออกไป ให้พระผ่านไปก่อนให้พระผ่านไปก่อนประชาชนค่อยตามหลังมาไะให้พระผ่านไปก่อนรอก่อนให้พระผ่านไปก่อนรอก่อนประชาชนก็ตามมาทีหลังให้พระผ่านไปก่อนอืมเอ้ยคุยเรอช่อืมออ่ให้รอให้พระผ่านไปก่อนรอให้พระผ่านไปก่อน เอาพุทธูกกลับคืนเอาบุทรูกกลับคืนให้เอาุทธูกยกพุทูกกลับคืนให้ไปทางนี้ทางนี้เออยอกพุธลูกกลับคืนให้เจ้าของรับแล้วเรารับแล้วุทธูกยกคืนให้เจ้าของเรารับแล้วเรารับแล้วเอาคืนเจ้าของให้เจ้าของ นิดหน่อยครับนิดหน่อยตรงนันดีหมดขานีจะลืมได้ไปกว่าเอาตั uh ้มาอีกขาดหายเงียบไปแล้วราะเราืมตามไปกว่ามาอีกนะครับเตรียมตั้มเลยฮะ ข้อข <ELL> <2 N> ้นก็ซื้อกันบางที่แท่มันออกมดเนี่ยออกแต่แต่ตอนนี้แท่ตอนนี้บ่ออกหูจังพ่อแท่ได้ทามันออกหูแล้วแล้นเรื่อง แกกคนแกอยู่ในสายง่ายๆเอายกขึ้นยกขึ้นึ้ไปไปเลยแกแล้วข้าทาไปข้าทอันนี้อันนี้จะยกมาใส่ไว้ครับใไ้ ไอ้พระถือกล้องถ่ายรูปมันเป็นยังไงพระองค์นี่นะมันถือกล้องถ่ายรูปไอ้พระเจ้าเบาวนิวะมันมาอ้วนต่อหน้าเรานี่มันหน้าด้านพอแล้วพระองค์นี่นะนั่นเอาสักหน่อยเลยมาถ่ายรูปอี ก, พ ร, อ ก, อกพระถือกล้องถ่ายรูปพระถือกล้องถ่ายรูปพระขุนนาง มาถ่ายต่อหน้าหลวงตาบัวมาถ่ายลงตาบัวซะด้วยนะเอ้า ไ, ไ, ไปเอามันมาอะไรประสายขอดเฮ้ยเอาไปย่นไปนุ่นยังไงยังเหรอว่าว่ายัอยตอะไรอย่างเี้ย <c oughs> ไปมึงไปขอด <c oughs> ปล่อยไป <c oughs> ปล่อยไปลงไปเอาลงไป้ <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรไปไปไปไปกินเนี่ยหรอเยี่ยมเกี๊ยน้องพยายามาทังคู่ทังเหยียปวดขาแล้วคู่แล้วเหยียคู่แล้วเหยีย วันนี้แออกเพ่อยเดียวีออ ก, อาออ ก, ออกขายที่งานเนี่ออก่ีขายเน่ได้ไปขายได้เยอะเลยเพราะว่าชั่วโมงกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีตอนหลังนี้แล้วก็เป็นอัเ็นทาเด็เดๆชั่วโมงแนาทีแ 你另外，特别是伢，干干松這特别是伢干么来？哎哟，容易上班呐，特别是伢干活太热，太热，那叫个太热了，太好了，冻干了你。嗯？ ว่านอกว่างในว่างนอกว่างในว่างข้างนอกว่างข้าในแต่ห้องมันว่างแล้วแต่ตัวเองยังไปอยู่ตรงกลางก็มไม่ว่าต้องตัวออกไปด้วยนั่นเนองนที่เกิดมีอะไรว่าผวกล้ากิตจะไม่ว่าข้กล้ามกิตข้อขาข้ออะไรเพราะว่าเชืคนมีกล้าข้อคือเกิดยังไม่ปล่อยตัวเองก็ยังไม่ว่าแต่รับปล่อย ยังมาเกาะเป็นเกาะลอยวๆโมคาลาวาอยู่่วาไม่อยู่ตัวเองไม่ว่าเพราะว่ามันเขาอยู่กว่ามันไม่ว่าออกาสิ่งพอรู้ว่ายกโมคาลานะเนียอโมคลนี่ิ่มเงนเนี่ยตังยแต่แคโมคาา ใครเป็นขงาเป็นพระบรมราชดเหนือกันหมดเลยเขาเรีบเขาเรีบไขาอยากเป็นพระมหากัตเขายกมไหว้ทั่วหัว่เขาอยากเป็นพระมหากษริยวยรวไปทีหลังก็ได้ไปทีหลังก็ได้ลมออกหูไม่ไม่รบกวนใช่ไหมวันนี้ เาอยู่ไปแวัวเพรเองูกินถ้าลัวแล้วอยู่เไปไม่ได้แค่ยืมออกขรงนี้ลวอยู่เลยไ่้แต่ว่านี่จริงออกเขาไม่ออกงนี้ไม่ได้อกวของนถึงข้นแ้มันจะเริ่มออกแล้วออกของตะเที่อออกของที่ญี่ไม่ได้ พอพูดปากออกวันนี้ยังดีม่ออกสั่งนี้ไม่ออ ก, ออกเดี๋ยป้องป้องกันผมลืมหมออ้วน ห, หมออ้วนบอกได้ประสานงานไปทางหมอหมอวิทูลเวียงจยันที่ว่าจะว่างยังไงจะเดินประกาบเรียนหลวงตาช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนเขาไม่ว่างเลยครับ เขาจะว่างก็ประมาณวันที่8เดือนหน้านะครับก็เลยกราบเรียนท่านหลวงตาวบอกว่าบอกวันที่8จะเอาเครื่องมือไปให้เรียนกันด้วยครับก็กอ่ามาแล้วครับก็เครับเราจะเอาขอไสครับครับข้าขาวครับ้าขาวข้าววา ค่าคอม่บาทกาต่้องค่าคชชอดบาทา้เอมกว่าต้องค่ามกว่าฮ้ตอนเช้าตอนเช้าบาทนะเขาบอกสามบาทครับตอนเช้า 看看。那<卡>就管这个哦，反正搞药呢，看你结果怎么样。你讲，再往外上。看这个。看。那拆了。告别。 <c oughs> ตอนขับรถมาเนี่ครับท่านพระประดชนพูดถึงในการที่พระป่ามาคลรวะเนื่องในโอกาสวันนี้ครับ เ, เดิมหลวงตา ก, ก็ไม่ไม่ไม่ด้อนุญาตเพราะถือว่าเป็นพิธีมีตองตาไม่เอาแล้วก็ท่านเจ้าคุณมาขอบุญเรี่ยที่หลวงตาให้ท่านเจ้าคุณบอกว่าเนื่องจาก ตอนอยู่ที่เชียงใหม่ตอนถวายเรียนหนังสือถ้าจคุณถวายล่มหลงตาตาเลยกระตันอยูก่กระต่าเวทียอมให้ข้วมงม ง, มงครับไปใจหลงมงกุฎขอไปเลยยอมให้ก็เลยเลยพวกพระเนรกับตถาญาติโยมก็ได้อาศัยท่าจคุณเป็นผู้นำมา เราเราพูดอยู่จริงะเป็นนิสัยก่อนเรื่องเรื่องลูกปุ่นคนนี้จำได้แน้ๆก็จะไปเชืมมาอย่านี้้าจะไปสองดูใครให้เราให้ มือนรพาเดนบ้าก็พอดีล้เทสบ้ดีแล้วครับผมประยน์ทั่วถึงการถ้าเนินบไว้ดูคงมีไม่ลงทีแล้วรถว่ามากเลยว่าสงพันห้าคือว่าเลยบ้าจอดเทสจอดเทลมยังไม่ออกหูเทศได้สะดวกเดี๋ยวที่ออกแล้วนะหยุดเทศไปได้ เริ down, so mm. ่มอ right. mm. okay. yes. mm. ่พอ yeah. ูดปั้งออกเขาหูถ้าอย่างนี้กล้วเทะไปไรแล้วอเริ่มออกแล้วก็นเทะทีแล้ลมยังไม่ออกหูพูดแต่ตักเก็ดทุกคนเวลานี้ออกทั้งสองคนพอพูดปั้งไปออกแบบนี้เราพูดไปไรเนี่ยไปแล้วที่จะไปละทั้งแจ้งั้พระทั้งเนรสองาครับนครับอ่อ 搅拌。